กราบเขาจากหลวงพ่อครับกราบเขาจากหลวงพ่อกรมเขากราบเขาจากพระจันทรุปสิน์พระจันทรุลินครับแล้วก็เพื่อนสาธมิกก็แม่ชีแล้วก็พวกเหล่าญาติโยมทั้งหลายเราก็มาปฏิบัติธรรมกันตรงนี้เนี่ยการที่พวกเราเข้ามาถึงที่วัดเนาะ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมงคลที่สุดของชีวิตนะเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยก็ชีวิตเรายังไงก็ตามเนี่ยการที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่เราเขาเรียกว่าเกิดมาพอเกิดมาปุ๊บก็นับถือศาสนาพุทธกัน แต่ว่าคำว่านับถือตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยังเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นภาษายังเป็นเพียงแค่ภาษาตัวหนังสือตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกวันนี้พวกเรามีการกระทำเนาะกับสิ่งที่เรียกว่าผลของการกระทำเนี่ยที่ มีความคลาดเคลื่อนกันอยู่อย่างคำว่านับถือศาสนาพุทธเนี่ยพวกเราก็เหมือนกับคล้ายๆว่าในการกระทาของชีวิตที่เราพูดถึงคำว่านับถือศาสนาพุทธกันบางครั้งเราก็ไม่ได้กระทาอะไรที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับภาษาตรงนั้นเพราะเนื่องจากว่าคาว่านับถือจริงๆแล้วเนี่ยก็ ในความหมายก็คือเรานับถืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เพียงแค่เขาลบกลับไว้แต่ว่าคําว่านับถือเนี่ยหมายถึงว่าพยายามที่จะพาตัวเข้าไปถึงจุดนั้นซึ่งตรงเนี้มีความสําคัญว่าการพาตัวเข้าไปให้ถึงจุดนั้นหมายถึงเราพาตัวเข้าไปทําอะไรกันพุทธเจ้าก็ได้ทําให้เราได้เห็นว่า ที่สุดของชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยก็หมายถึงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะพาตัวเองเข้าไปถึงจุดที่จะทําให้ชีวิตเราไม่ทุกข์หลวงพ่อเขียนก็ได้บอกชัดเจนว่าชีวิตเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์เราได้ใช้สิทธิ์อันนั้นแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ว่าคําว่านับถือเนี่ยก็หมายความว่าพวกเราทุกคนเนี่ยได้พยายามเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าใกล้กับจุดที่ ชีวิตของเราจะไม่ทุกข์แล้วหรือยังซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับถ้าหากว่าเรายังบอกกับทุกคนได้ว่าเรานับถือศาสนาพุทธอยู่ทุกวันที่มีคนถามเนี่ยหมายความว่าพวกเราเนี่ยได้พยายามที่จะพาตัวเองเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วทุกๆวันเหมือนกันแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกบอกว่าการเปลี่ยนหลงเป็นรู้รพวกเราทากันได้แล้วหรือยัง การเปลี่ยนหลงเป็นรู้พวกเราทํากันเป็นแล้วหรือยังการเปลี่ยนหลงเป็นรู้พวกเราทําได้คล่องแคล่วแล้วหรือยังตรงนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับการทําใดๆเนี่ยก็เริ่มต้นที่เราสามารถทําได้แล้วหรือยังเราทําเป็นแล้วหรือยังสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเองก็พูดพูดคำพูดอยู่คำหนึ่งในระยะรอบร้อยปีหลวงพ่อเทียนเนี่ยตรงนี้ว่า คำสอนของหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในตัวหลวงพอ่อตัวอืหลวงพ่อเทียนเองก็เข้ามาอยู่ในตัวหลวงพอ่อคําว่าเข้ามาอยู่ในตัวหลวงพ่อตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่อืเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า พวกเร า, เรามีกันแล้วหรื อ, อยังตรงนี้นะคำสอนของหลวงพ่อพวกเราทำให้มีในตัวเราแล้วหรื อ, อยังบางครั้ง<ะ>การจำได้เพียงแค่ว่าหลวงพ่อพูดว่าอันนั้นหลวงพ่อพูดว่าอันนี้ไม่พอเพราะเนื่องจากว่าตรงนั้นบางครั้งเนี่ยก็เหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในทางโลกนะเราก็จำได้ว่ามีเรื่องดีๆที่คนนั้นคนนี้บอกเอาไว้ แต่ว่าเราก็ทำไม่ได้สักทีหนึง่งตรงนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติเนี่ยเราเองเราถ้าหากว่าพวกเราเริ่มต้นยกมือสร้างจังหวะกันการยกมือสร้างจังหวะกันของพวกเราตรงนี้เนี่ ย, ยก็หมายความว่าพวกเรากำลังเริ่มทำให้สิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยได้เกิดมีขึ้นในตัวเราตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากการสอนของครูบาอาจารย์การทาให้ดูอยู่ให้เห็น ตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเองเนี่ยคำสอ น, สอนพวกเราเองเราอาจจะดูจากการยกมือสร้างจังหวะบ้างเนาะดูจากจาการกระทํา ก, กริยาต่างๆนานาที่ครูบาอาจารย์ได้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นด้วยตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนกันไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าการขยับขยื่นเคลื่อนไหวใดๆของครูบาอาจารย์ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ สามารถที่จะบอกที่จะสอนเราได้อย่างหลวงพ่อคำเขียนที่อยู่ให้เราดูทุกวันทุกวันตรงนี้เนี่ยพวกเราเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหงาเนะ<า>เวลาที่หลวงพ่อคำเขียนเนียไม่อยู่แต่ว่าความรู้สึกเหงาตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้เห็นหรือว่าพวกเราเป็นตรงนี้ก็สำคัญเพราะเนื่องจากว่าคำสอนของหลวงพ่อจริงๆก็คือคาที่ จำแนกแยกแยะว่าณวันนี้เรากำลังเป็นผู้เป็นหรือณวันนี้เรากำลังเป็นผู้เห็นซึ่งตรงนี้สามารถที่จะปฏิบัติกันได้ตลอดทุกเวลาทุกนาทีบางครั้งการที่พวกเราเห็นหลวงพ่อแล้วเราก็ชื่นชมตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปเป็นหรือเราเห็นใจของเราที่ชื่นชมหลวงพ่อเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สาคัญว่าคาสอนของหลวงพ่อเนี่ยพวกเรา ปฏิบัติได้แล้วหรือยังคําว่าปฏิบัติได้ตรงนี้ก็หมายความว่าเราเองก็เป็นผู้ตรวจสอบตรวจสอบว่าตรงนี้เนี่ยปฏิบัติได้อยู่ที่ตรงไหนปฏิบัติได้ก็อยู่ที่ตรงใจของพวกเราหลวงพ่อเขาก็เขียนก็จะมีคําพูดที่เด่นสะดุดหูอยู่อันหนึ่งก็คือหลวงพ่อจะเคยพูดว่าที่นี่ไม่มีการสอบอารมณ์นะ มีแต่เอ็กกัมีแต่ออเท่านั้นเองนี่ก็ตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองเนี่ยก็น่าจะเอาคําสอนสั้นๆกระชับๆของพวกของหลวงพ่อตรงนี้เนี่ยเอาไ้ตรวจสอบการกระทําของพวกเราถ้าหากว่าพวกเราเมื่อไหร่พวกเราปฏิบัติยังมีคํำว่าเอ็กอยู่ในใจเนี่ยตรงนั้นเองเนี่ยหลวงพ่อก็จะบอกบอกว่า ตรงนี้เนี่ยถ้าเอะเมื่อไหร่แล้วก็เป็นจำเลยเราก็ต้องหาคําตอบแต่ถ้าเราอ้อเมื่อไหร่ตรงนั้นเราก็เป็นอิสระไปแล้วพ้นแล้วเพราะฉะนั้นคือตรงนี้คําพูดของหลวงพ่อสั้นๆตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้จดจํากันไม่ยากแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือพวกเราทําให้เกิดมีขึ้นมาในตัวเราแล้วหรือยังพวกเราเอาคำสอนของหลวงพอ่อมาใช้เป็นประโยชน์กับชีวิตของพวกเราจริงๆแล้วหรือยัง ตรงนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้บอกได้สอนมาแล้วก็เขาเรียกว่าสงสาวกของพระผู้มีพระพักเจ้าเนาะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล่เนี่ยก็ได้ทําสิ่งต่างนานาเหล่านี้เนี่ยให้เกิดมีขึ้นแล้วก็สิ่งต่านานาเหล่านั้นเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดกันมาการที่มีการสังคยนากันเป็นลําดับลําดับลําดับตั้งแต่ พุทธการมาเนี่ยตรงนั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่จดจําว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรพระพุทธเจ้าทําอะไรแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนตรงนั้นเนี่ยมีอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยทั้งหมดที่จดบันทึกกันไห้ในพระไตรปิฎกตรงนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าได้จดจําเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ว่า ตรงนั้นหมายความว่าสิ่งที่แต่ละคนได้ทบทวนสิ่งที่มีในตัวเองเนี่ยก็ได้เอาออกมาจดบันทึกกันไหมแล้วก็ทบทวนกันถึงแง่มุมต่างๆนานาที่ครบถ้วนกันตรงนั้นเนี่ยหมายความว่าพวกเราเองก็จะได้เป็นผู้ที่สืบทอดทพระพุทธศาสนามีคำของหลวงพ่อที่ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อเองจะพูดอยู่คำหนึ่งที่ บางครั้งมีการตีความหมายที่คลาดเคลื่อนไปบ้างอธิเช่นหลวงพ่อพูดว่าทุกวันนี้หลวงพ่อต้องพึ่งพวกเราแล้วตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายคนที่ได้ยินก็บอกว่าใจหายมากๆเลยหลยังมีคำพูดที่บอกว่าทุกวันนี้หลวงพ่ อ, อ ต้องอาศัยพวกเราแล้วคำพูดลักษณะนี้เนาะเป็นลักษณะที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าพวกเรามองบองถึงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาพวกเราก็จะพบว่าในวันปีใหม่เนี่ยคนก็ตรงเข้ามาหาหลวงพ่อตั้งแต่เช้าจนเย็นเนาะพวกเราเองช่วยอะไรหลวงพ่อได้บ้างตรงนี้เนี่ยพวกเราลองนึกนะว่าถ้าหากว่าพวกเราบอกว่าทุกวันนี้หลวงพ่อก็หวังพึ่งพวกเราเนี่ย เราเองก็มองเห็นว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็เข้ามาหาหลวงพ่อแล้วก็เข้ามากราบหลวงพ่อตั้งแต่เช้าจดเย็นแล้วอาจจะพบว่าภารกิจนั้นของหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นภารกิจที่หลวงพ่อก็รับก็เรียกว่ารับภารกิจหนักเนาะอาจจะต้องนั่งทั้งวันปวดฉี่ตรงไหนก็ไม่รู้ปวดอึตอนไหนก็อาจจะไม่มีเวลาเข้าห้องน้ํากันนั่นตรงเนี้ยพวกเราได้ช่วยอะไรหลวงพ่อบ้างแล้วเ การช่วยหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยต้องรีบเนาะต้องรีบทำสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยให้มีในตัวเราแล้วก็ถ้าหากว่าพวกเราทำได้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะทำหน้าที่แทนหลวงพ่อได้ผู้คนที่เข้ามาก็จะเข้ามาแล้วพวกเราก็สามารถที่จะแบ่งเบาภารกิจในการบอกการสอนในการบอกการแนะนำจริงๆแล้วก็ ก, การสอนจริงก็อย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานนี้นะ<ม>ว่า หลวงพ่อไม่ได้สอนหลวงพ่อไม่ได้อยากสอนแต่ว่าสิ่งที่นั้นก็คือหลวงพ่อก็ชวนกันทําการที่หลวงพ่อเปิดพื้นที่วัดป่าสุกโตต ร, ตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อก็มีความชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าหลวงพ่อต้องการให้พื้นที่วัดป่าสุกโตเป็นพื้นที่ที่จะอเหมือนป่าอิสิปัาตานะมฤคทายวันในอดีตก็คือเป็นพื้นที่ที่ผู้คนเนี่ย เข้ามาแสวงหาโมฆะธรรมกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อก็เคยพูดชัดเจนว่าหลวงพ่อไม่ได้จํากัดว่าจะมาปฏิบัติธรรมก็ด้วยวิธีการแบบไหนอะไรยังไงแต่ว่าอยากให้พื้นที่ป่าสุโกโตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผู้คนเนี่ยได้เข้ามาอาศัยปฏิบัติธรรมกันเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้พวกเราเองเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ก็คือการที่พวกเราเนี่ยได้ยกมือสร้างจังหมา การที่พวกเราได้เดินจงกรมกันตรงนี้เป็นสิ่งที่อากับกิริยาเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยได้เห็นว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติกันเพียงแค่นี้เองนะว่าพวกเราก็ได้เรียกว่ายินดีต้อนรับผู้อื่นสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาก็มีผู้คนที่ได้เข้ามามเขาเรียกว่าได้เรียนรู้แล้วก็ อย่างที่ปีใหม่ที่ผ่านมามนพวกเราก็ได้เห็นว่าจะมีคนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆก็ปีนี้นี่ก็ถือว่าเป็นพิเศษไม่นแน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าอันหนึ่งก็เห็นบอกว่าในทางก็เรียกว่านในทางการประชาสัมพันธ์จากทางกรุงเทพเนี่ยก็<ด>ยมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนเนี่ยเข้าวัดกันมากขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็ไม่คิดว่า คำประชาสัมพันธ์อันนั้นจะเป็นคำประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าในความเป็นจริงก็คิดถึงว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ ย, นนยก็เหมือนกับได้เห็นเนาะชีวิตที่ดิ้นรนของพวกเราเนี่ย<า>ว่าก็ดิ้นรนกันมามากไม่ว่าจะดิ้นรนทําอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่เกิดกับชีวิตก็คือเขาเรียกว่าความเดือดเนื้อร้นใจเนาะ ก็ตามมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนั่นคือการที่คนเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็ยังมั่นใจว่าพวกเขาเองก็เข้ามาเพื่อหาทางที่ดีกว่าในชีวิตซึ่งอาจจะในกรุงเทพก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะอย่างนั้นคาว่าไม่มีอะไรเหลือไม่ได้หมายถึงไม่มีวัดเหลือนะแต่หมายถึงว่าทำทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลง ไปดูละครหรือว่าไปช้อปปิง้งหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้สิ่งที่พวกเขาหวังอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้จักทำกันเลยก็คือการเข้าวัดซึ่งตรงนี้เนี่ยการเข้าวัดเราก็จะพบว่าหลายๆคนก็เข้าวัดมาเพื่อการทำบุญตามที่พวกเขาคุ้นเคยกันมาแต่ว่าตรงนี้สุกโตเองก็จะทาให้ผู้คนที่เข้ามาวัดเนี่ย ได้เข้ามาแล้วถูกทางมากขึ้นตรงนี้ก็หมายความว่าการที่เข้ามาแล้วก็ได้เห็นพวกเราชาวสุขกโตทั้งหลายแหล่ก็มุ่งมั่นอยู่กับการปฏิบัติกันไม่ว่าจะเป็นอากัศกริยาการเดินการเคลื่อนไหวหรือการกินกันอยู่ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยกลัวแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะสร้างแรงบรรนันใจให้กับคนอื่นอื่นทนองเดียวกันสิ่งตรงนี้เองเนี่ยหลวงพ่อเองก็พูดชัดเจนนะว่า การปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่เป็นเพียงแค่การที่เรายกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมซึ่งเป็นเรื่องของรูปแบบแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ให้อยู่ในชีวิตประจาวันของพวกเราให้พวกเราเนี่ยได้เอาการปฏิบัติเนี่ยเข้าไปสู่ชีวิตประจาวันให้ชีวิตประจาวันของพวกเราเนี่ยเป็นความงดงามไปด้วยตั้งแต่ยังไม่บวช จำได้ว่าเคยพาหลวงพ่อไปที่จังหวัดเพชรบุรีตอนนั้นก็ราวๆประมาณสักปลายปีสองพันห้า้อยสี่สิบห้าก็มีคำสะดุดหูอยู่คำหนึงหลวงพ่อก็บอกบอกว่าเวลาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าให้ใครรู้ว่าเรานอ น, อนที่ไหน <c oughs> ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า เป็นสิ่งที่สะดุดหูมากๆแล้วก็พอเราได้ค่อยๆมองเห็นหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็ทําอย่างนั้นจริงๆก็คือเวลาที่หลวงพ่อลุกขึ้นมาจากที่นอนเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้ว่าหลวงพ่อนอนอยู่ตรงไหนเพราะว่าไม่มีก็เรียกว่าไม่มีหลักฐานอะไรให้เห็นอยู่น้อยอย่างนั้นเนื่องจากว่าหลวงพ่อเองก็จะเก็บสิ่งต่างๆนานาที่เกี่ยวกับเรื่องของการนอนเนี่ยทั้งหมดจดเรียบร้อย และที่สำคัญก็คือเวลาก่อนนอนเนี่ยหลวงพ่อเองก็จะถือว่ามีอุปกรณ์นะในการประกอบการนอนเนี่ยน้อยที่สุดหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งไปประเทศฟิลิปปินส์หลวงพ่อเองเนี่ยก็ได้เอาฝาบาทเนี่ยเป็นหมอนหนุนก็เวลาที่เราก็นึกออกนะว่าพอเวลาตื่นปุ๊บก็เอาฝาบาทเก็บเข้าไปที่ ใช่ไหมที่ตัวบาดก็หมอนก็หายไปแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าหลวงพ่อไปไหนไหนเนี่ยบางครั้งหลวงพ่อก็ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอุปกรณ์จะเป็นผ้าปูที่นอนปลอกหมอ น, น, นต่างๆนานาเหล่านี้หลวงพ่อจะบอกบอกว่าบางครั้งสีปลอกหมอนที่ไม่ใช่เป็นสีเหลืองหลวงพ่อก็บอกว่าอันนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับพวกเรานะแล้วหลวงพ่อก็จะเอา เขาเรียกว่าผ้าสะบ ong หรออะไรเงี้ยนะปูทับลงไปก็ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่พอเก็บผ้าสะบง n พอเวลาที่เท่าห่มก็เหมือนกันก็เป็นจีวอลเนี่ยน ะ, ะหลวงพ่อก็จะใช้จีวรเนี่ยหม่มเพราะฉะนั้นนั่นคือเวลาเก็บผ้าห่มก็ขึ้นมาอยู่กับตัวเวลาเก็บสะบงก็ภาพเก็บลงไปเนาะในที่ที่จะเป็นย่ามหรือเป็นอะไรก็ตามตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่า เราได้เห็นครูบาจารย์แล้วเราก็ได้เห็นคําสอนของพระเจ้าเนี่ยไปนในตัวการบวชเนี่ยก็ก็เรียกว่าในโบสเนี่ยก็จะบอกบอกว่าให้พวกเราเนี่ยถือผ้าสามผืนก็คือจีบอลสังคติสบงตรงเนี้ยเป็นเนขาเรียกว่าเป็นสารณะเนาะเป็นสารณะเสื้อผ้าอะไรที่มากกว่า น, นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นอกเหนือความจําเป็นให้เราถือผ้าสามผืาามนคําว่าสามผืนหมายถึงว่า ในชีวิตเราเนี่ยให้สบ ง, สบงจีวอลสังขติสมอย่างเนี่ยเนาะสบงจีวรสังขติเนี่ยถือในสามผืนเนี่ยได้ไหมเหมือนกับพวกเรายาดโยมเวลาที่มาอยู่วัดเนี่ยพวกเราก็มีเสื้อผ้ามา น, น้อยชิ้นเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคือได้น้อยชิ้นตรงนี้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ เ, นเราได้ใช้ประโยชน์จากเขาด้วยและทํานองเดียวกันธรรมะของเราก็กัดเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นก็นคือเวลาที่เรากลับไปอยู่กรุงเทพกลับไปอยู่กับถิ่นฐานบ้านช่องของเราบางครั้งเสื้อผ้าที่มากไปที่มากเกินกว่าจําเป็นตรงนั้นเนี่ยพวกเราลองมองดูว่า ม, มันทำให้ธรรมะของเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าขึ้นหรือเปล่าซึ่งตรงนี้คาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่บอกบอกว่า ใจต่างๆที่อยู่ในชีวิตเราไม่ว่า จ, จะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่จจา จ, จะเป็นเรื่องเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุกยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องที่อยู่อาศัยทั้งหลายแหละตรงนี้เนี่ยเราณวันนี้เนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยกับเขาเป็นเพราะว่าเราเข้าไปเอาทุกขเอาสุขกับเขาหรือเปล่าหรือว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องเขาอย่างลักษณะที่จะช่วยให้ธรรมะในชีวิตของเราเนี่ยได้ก้าวหน้าขึ้น เพราะฉะนั้นก็นคือตรงนี้สิ่งที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อสอนเนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่อยู่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยในชีวิตเราจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุกความเคลื่อนไหวในชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้อาศัยสิ่งต่ตางๆนานาเหล่านั้นเนี่ยเป็นเครื่องที่จะให้ช่วยให้เราได้ระลึกถึงการใช้สติได้ระลึกถึงการที่จะช่วยให เราได้ปฏิบัติทำกันหรือเปล่าถ้าหากว่าเราได้ทําอย่างนั้นเนี่ยคาบอกคําสอนของหลวงพ่อที่บอกบอกว่าหลงบ้างก็ได้ไม่เป็นไรรู้บ้างก็ได้ไม่เป็นไรอย่าไปลีดตัวเองให้เขาเรียกว่ารู้เพียงอย่างเดียวอย่าให้มันแข็งอย่างนั้นแต่ว่าหลวงพ่อก็จะบอกตามมานะบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราก็ฉวยโอกาสนะชวยโอกาสเอาแค่เขาเรียกว่า ชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบลิ้นก็ได้ตรงเนี้ยหมายความว่าคือในขณะที่เขาเรียกว่าโอกาสเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่งูแลบลิ้นหรือว่าช้างสะบัดหูตรงนี้เนี่ยก็ขอให้เราได้เวยโอกาสทุกๆโอกาส ท, าที่มีในชีวิตเราซึ่งทุกคนมีเท่ากันทุกคนก็มีเวลาที่เท่ากันเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยถ้าหากว่าพวกเราได้ทํา สิ่งที่หลวงพ่อสอนให้มีในตัวพวกเราเนี่ยธรรมะของพวกเราเนี่ย<ล>ก็จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยตรงเนี้ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงๆเพราะเนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งพวกเราเนี่ยอาจจะรู้สึกเขาเรียกว่าเสียอกเสียใจกับหลายสิ่งที่หายไปในชีวิต หรือว่าพวกเรารู้สึกอาจจะตก อ, อกตกใจกับอีกหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตตรงนี้เนี่ยความเสียใจหรือความตกใจเนี่ยจะแก้ไขได้ก็จากการที่พวกเราเนี่ยได้เอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าพวกเราได้กลับมาเนาะได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้กลับมารู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราได้กลับมารู้สึกอยู่กับ การกระทําต่างๆนานาในชีวิตประจําวันของเราอย่างที่หลวงพ่อเทียนได้บอกเอาไว้ว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวก็เอาใจมารับรู้เมื่อกายเคลื่อนไหวก็เอาใจมารับรู้ตรงนี้จะเป็นวิธีการที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้ทําคําว่าเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยได้อย่างดีที่สุดเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยปลอดภัยจากเขาเรียกว่าพยันตรายต่างๆนานาที่เกิดขึ้น จากสิ่งรอบๆตัวที่เราคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ระลึกถึงตรงนี้ว่าความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยหมวดใหญ่ๆที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งก็คือหมวดของกายกับสองก็คือหมวดของใจพรนะพุทธเจ้าเองก็ได้ขโมดให้เราทุกๆวันนะกับการสวดมนต์นะว่าทุกข์ของกายก็มีแค่เรื่องแค่ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายวัตถุของใจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงต่างๆนานาในทางใจหรือว่าเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าต่างๆในทางใจซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะทําให้พวกเราทุกข์กันแล้วก็ทุกตรงนี้เนี่ยก็จะดับได้จากคาสอนของพระเจ้าจากเขาเรียกว่าพระธรรมที่พระเจ้าให้ไว้แล้วก็จากการที่ สงสาวกของพระพผู้มีพระพักตร์เจ้าเนี่ยก็ได้ทําให้เราดูได้อยู่ให้เห็นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่าการที่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวการที่เราได้คอยดูจิตดูใจของเราหลวงพ่อเองจะมีอยู่คําคํานึงก็บอกว่าณการปฏิบัติเริ่มต้นเราจะใช้สติดูจิตแต่ว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยพอเราปฏิบัติเขาเรียกว่า เป็นแล้วเนี่ยก็เอาจิตดูจิตเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้ทำให้สิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมีในตัวเราณวันนี้เราอาจจะหลายคนอาจจะเริ่มต้นเนาะเอาสติคอยตามดูการเคลื่อนไหวคอยตามดูจิตแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยพัฒนาการของเราเนี่ยก็จากสติดูจิตก็จะกลายเป็นจิตดูจิตเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า เป็นความก้าวหน้านะในการปฏิบัติความก้าวหน้าในการปฏิบัติก็ไม่ต้องตรวจวัดอะไรมากไปกว่านี้ณวันนี้เราอาจจะตั้งใจมีสติอยู่กับกายอยู่กับใจแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าพวกเราทาจนเป็นนิสัยกันก็น ก, การที่เราจะตั้งใจมีสติอยู่กับกายกับใจก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่ามีอยู่ในตัวเราแล้วก็ไม่ต้องตั้งใจกันอีกจากนั้นไปจิตก็จะดูจิตกันเองเพราะนั้นก็ ขอให้พวกเราเนี่ยได้อาศัยหลวงพ่ออาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็อาศัยความสําเร็จของพระพุทธเจ้าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะพาให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยทุกๆคนได้เขาเรียกว่าพ้นทุกข์ไปเป็นลําดับจนกระทั่งถึงไม่มีทุกข์ในที่สุดทุกคนทุกท่านก็ขออนุโมทนากับ ความตั้งใจดีของพวกเราทุกคนแล้วก็พวกเรากราบพราบพร้อ ม, มกัน